ขอกราบสวัสดีท่านผู้รฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2549 ร, รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้ดําเนินรายการครับเช่นเคยครับวันนี้เป็นรายการตอบปัญหาสดครับทางรายการการพัฒนาประเทศประคุณประเทศพิลลกวัดบวรณีววิหารพิมพ์กรตอบปัญหาธรรมะครับ หมารเโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามีสายแรกมารอยอยู่เลยนะครับสวัสดีครับเออ น, นวัตชกาลแล้สวัสดีครับอยากจะถามสองข้อนะครับคือข้อหนึ่งเนี่ยอะไรบ้างครับที่เป็นเอ่อที่ช่วยกระตุ้นให้สติปัรฐานเกิดกับเราบ่อยๆครับครับผมข้อสองวิธีท่องจำบทสวสดมนต์ยาวๆให้จำได้เร็วครับครับผม ครับนวัตการม ค, ครับก็ตัวให้เกิดสติปฐานก็คือกายกายเวทนาจิตธรรมอะไรนะฮะเป็นตัวกระตุ้นหมายความว่าเราต้องมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมอย่างต่อเนื่องระลึกอะไรก็ได้แล้วก็นี้สุดสติเราก็จะต่อเนื่องขึ้นครับเออส่วนการท่องบทสวดมนต์อะไรต่างๆนี่ที่จริงบทสวดมนต์ก็คือบทธรรมะครับ คือถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราก็จับประเด็นนะมันมันจะมีข้อที่เป็นเมนหลักอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็ต่อไปเราก็เปลี่ยนวิพัฒน์ปัจจัยเอาครับ mm hmm. การการท่องอย่างพวกมหาป ร, รียนท่องเนี่ย mm hmm. เขาเขาไม่ได้ท่องหมดฮะครับก็ mm hmm. จะจับประเด็นจับประเด็นข้อเนี่ยหลักหนึ่งเช่นเช่นอนัตตลกนัสูตรเนี่ยมันจะเหมือนกันทีละห้าชุดห้าชุดห้าชุดไปรเรืเ่อยๆก็เปลี่ยนเฉพาะวิพัฒน กระจาลิงนะเพศต่างๆเนี่ยแล้วก็จะเข้าใจง่ายขึ้นท่องท่องท่องจําง่ายขึ้นมันก็เป็นเชื่อมโยงกับสติปัฏฐานิกัะมาความถ้เราฝึกสติบันดีเราก็จําได้แม่นเนี่ยที่คุณอาจารย์ทําไมหนังสือของคุณทคุณอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วจึงเผยแพร่เฉพาะบทเนื้อหาธรรมะจริงๆไม่ค่อยมีเผยแพร่บทสวดคาถาบทสวดอะไร คือคือคือคือที่จริงก็เคยเคยทําแต่อธิบายความเป็นมาของพระสูตรสารัะของพระสูตรที่สวดครับแล้วก็องค์ธรรมต่างๆอธิบายในแง่ของธรรมะครับคือคืออามาไม่ค่อยชอบอามาว่ามันเป็นวิธีสวดเนี่ยมันเป็นเป็นหนึ่งในวิธีต้นๆแล้วถ้าเราอยู่ก็สวดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เลยศึกษาไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่ใช่ถึงก็เสียหายอะไรหรอกแต่มันควรจะมันควรจะก้าวหน้ามากกว่านั้นนะครับผมควรจะก้าวหน้ามากกว่านั้นก็มีการศึกษามีการปฏิบัติก็ได้สัมผัสผลครับมีปัญญาเพิ่มขึ้นมีจิตใจสะอาดขึ้นสงบขึ้นครับแล้วก็มีความรู้สึกดีต่อสังคมเพิ่มขึ้นครับเป็นเนื้อหาสาระครับคุณเจ้าหจ้าครับสายที่สองครับสวัสดีครับฮัลโหลครับนวัตการครับผม สอบถามได้เลยครับกระผมคำถามนะครับคือหลวปู่จเจ้าอาวาสที่วัดนะครับก็จะมีญาติโยมมาถวายพัะตาหารท่านมากมายอะนะครับประมาณช่วงตอนเช้าจะถึงประมาณก่อนเพลยอย่างเงี้ยนะครับ อ, อย่าเข้าว่าบางทีบางขณะระหว่างเวลานะครับตอนที่ท่านยังไม่ได้ฉันนะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาอีกกลุ่มนึงเนี่ยมาเอาอาหารไปก่อนอย่าเข้าว่าลูกศิษย์ลูกหากลุ่มนั้นที่มาเอาอาหารไปก่อนนะครับจะบาปหรือเปล่าครับ เอาอาหารไปเอาไปกินกันก่อนเลยว่าไงครับอ่าครับผมก่อนถ้าขันจะบาบจะบาบหรือเปล่านะครับมีมีข้อเดียวนะครับขอบุญมากครับเอ่อถ้าลูกศิษย์ลูกหาเป็นคารวาสเนี่ยบาปนะบาบนะครับเพเขาถวายพระแต่ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ก็แสดงว่าหลวงปู่ก็ต้องสั่งไว้ก็คือหมายความมาท่านก็มาเอาไปเขาถวายพระแล้วหลวงปู่ก็แจกให้ลูกศิษย์คือโยมเนี่ยมันต้องต่อจากหลังพระอาจารย์แล้วนะพระอาจารย์ไปแล้ว ก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าถ้าเป็นพ่อแม่ถ้าเป็นโจรถ้าเป็นพระราชาถ้าเป็นอะไรเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์อยู่ว่าสามารถที่จะให้อาหารนั้นได้เดยแต่ถ้าญาติโยดมทดั่วไปนี่ไม่ได้หรอกก็เรียกว่าเป็น <c oughs> อะไรอ่ะเรื่องเปรตพระเจ้าพิมิสานะอย่างเปรตพระเจ้าพิมิสารนี่กินของอย่างเงี้ยะของเขาถวายพระหรือเยียมจะถวายพระหรือตั้งใจจะถวายพระแต่ยังไม่พระยังไม่ได้ไม่ได้ฉันครับแล้วก็เอาไปกินกันก่อนครับก็เป็นบาสนะครับจา022413315ครับสายที่สามครับสวัสดีครับครับถามถามต่อเนื่องนะคะจากถามเมื่อกี้นะครับครับ ครับผมแล้วหลวงปู่จะจะบาบหรือเปล่าครับเออลุงปู่ไม่เกี่ยวอ่ะลุงปู่ไม่ได้ว่าอะไรนี่ไม่ไม่ไม่ทําอะไรเนี่ยคนมาเองครับขอบคุณครับครับผมศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าะครับปัญหาธรรมะทุกอย่างสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนจะเข้าแฟนรายการสอบถามว่าทุกครั้งที่ตักบาตรเนี่ยจําเป็นจะต้องอ่า เอาน้ำถวายพระด้วยไหมครับเพราะว่าฟังเคยอ่านหนังสือของพันเอกส น, นอิจิตรัตว่าถ้าตายไปแล้วบางทีไม่ไดมีน้ํากินอะไรกินต้องถวายน้ำตลอดเช่ไครับคือมันมันมันคนละกาลเทศะนะถ้าจะถวายน้ำมันก็ควรจะถวายในโอกาสอื่นมันไม่ควรจะถวายตักบาตรราะบาตมันที่มันทิ้นเดียวนะฮะเอาน้ําใส่กระขวดมันก็จบแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้ว <laughs> แล้พระจะฉันอะไรล่ะคือคือมันมันถวายน้ําแล้วก็ถวายไปถือเพราะเป็นหนึ่งในฐานวัตถุครับอันนางปานางวัดถังยานางมาลากันทังวีเดียวนางเนี่ยนะฮะคือคือมันหนึ่งในในในฐานวัตถุทั้งหลายแต่ว่าคือเรานึกดูว่าถ้าเราตักบาตแล้วเราเอาขวดน้ําใส่ในบาตแล้วแล้วคนหนึ่งก็ตักบาตรจะทําไงบริเวณนี้มันใส่ถุงแล้วมีลมอยู่เยอะในถุงนะฮะถุงพลาสติกนะฮะเนี้ยฮะเราเรเอ่อพอ พอเรื้อไปจากบาดมันจะเรือเรือนีดเดียครับฮะบางทีฉันไม่อินนะฮะพูดไปเล่นไปมันไม่มีอะไรอ่ะมีลมมันมีลมเยอะเพราะมันมันถุงปฏิเวลาเขาปลูกอ่ะครับลมลมมันจะโบงอยู่เยอะเลยเดี๋ยวนี้ของของของอย่างเงี้ยคือถวายในโอกาสอื่นเอาไปถวายที่วัดครับหรือว่าถ้าพระบินทะบาททางเรือเนี่ยก็ไม่แปลกนะทางเรือไม่แปลก เพรว่าท่านก็วางไว้ในเรือครับแต่ว่าท่านท่านอยู่น้ำไม่เหมาก็ไม่ไหวอะก็ไปรรังขอบคุณท่านทีะเปิดจานครับสายต่อไปสายเจสี่ครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับถามว่าพระฤาษีเนี่ยมีสินเท่าไหร่ฤาษีมีสินใจอยู่ไหมอะไรนะครับใครนคนบวชให้อ๋อครับผมมีคําถามข้อเดียวนะครับครับแค่นั้นแหละครับครับขอบคุณครับ ฤษีก็อุบาสกนะโยมเขาก็รักษาศินแปดรักษาสินแปดแต่ว่าก็ปฏิบัติแบบฤษีครับนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ ก, ก็ก็คือเป็เปนเป็นพุทธบริษัทเหมือนกันก็เป็นเป็นอุบาสกบริษัทคลนะ้ายๆกับพวกชี ป, ปะขาวนั่นแหละคล้ายๆพวกชีปะขาวคล้ายๆแม่ชีนั่นแหละแต่ว่าเขาปฏิบัติก็แบบทุดงนะฮะแบบอยูนะ่ในป่า เข่งขัดขึ้นครับก็ก็แกรับสีแล้วถึงเรื่ององธิษฐานสีเราก็ได้เนี่ยไม่ได้แปลกอะไรครับขอบคุณคำเชิญกรใจครับสายต่อไปสายที่ห้าครับสวัสดีครับสามนรมาสการพระเทพบินหลวงครับผมมีคําถามนะครับอการบวชในขมมะกับการบวชชีพามเหมือนกันหรือไม่ครับหรือต่างกันอย่างไรครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะฮะ การเข้าปริวัฒกรรมของพระสองฆ์เนี่ยก็ทําเพื่ออะไรครับกขอบคุณครับขอบคุณครับเนคขมคมะกับบุญคื อ, อคือเนคขมมะกับชีพรามเนี่ยที่จริงมันเรียกชื่อต่างกันเฉยเป็นคําที่เรียกกันขึ้นใหม่ในที่หลังมันเป็นแฟชั่นสมัยใหม่ก็เรียกเนคขมมะบ้างเรียกว่าศีราจารีมีบ้างเรียกว่าธรรมจารีบ้างนะเรียกว่าชีพรามบ้างก็แล้วแต่จะเรียกก็เหมือนกันะนั่นแหละคือคือคือสรุปว่าก็รักษาศีลแปด ราศนแปดระยะหนึ่งโดยไม่ต้องโกนผมที<อ>นี้ปริวัตกรรมเนี่ยที่จริงมันโดยหลักเดิมจริงๆน่คือหมายความว่าพระต้องอบัตสังคธิเศสแล้วก็ไปประพฤติวัดอยู่กรรมตามหลักของพระวินัย<อ>ในการต่อมาทางภาคอีสานี่กลายเป็นฮีตก็คือจารีต<อ>จารีตสิบสองก็กลายเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ต้องการจะเอามาฝึกพระ ครับซึ่งกวหมายความวันในที่นั้นนหะมีส่วนหนึ่งเขาก็ต้องอบัตแต่ว่าส่วนหนึ่งไม่ต้องอรอกรแต่ว่ามันมีการฝึกอบรมธรรมะในการบรรยายติวเข้มทุกเรื่องครนะนิ่วเข้มทุกทุกเรื่องก็ทําให้สามารถใช้กฎเกณฑ์ในการประพฤติวัดเด็กํากับควบคุมพฤติกรรมของท่านเหล่านั้นได้ครับ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีผลประโยชน์เข้าไปนะฮะเพราะว่าประกาศเป็นเรื่องใหญ่ใกล้กระบุญมากคนก็แห่แหงกันไปก็ทํำทํ า, าบุญกันดังนั้นที่จริงถ้าถ้าให้มันซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ควรจะแยก <S <S ครับปริวาติก็ปริวาติไปนะฮะการชุมนุมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ว่ากันไป <S 1> <S 1> ค, คนก็กควรจะแยกกันนะฮะ <S 1> <S 1> แต่ว่า อถ้าแยกก็อีกหละ่ะคือเราไม่มีมาตรการในการกํากับผู้คุมครับคนมากๆเนี่ยมันมันมันต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันอก็ทําไปเถอะก็ไม่จะเสียหายอะไรครั บ, ร บ, รบขอคุณครับที่สนใจับสายต่อไปสายที่หกครับสวัสดีครับสวัสดีาาครับครับนักการท่าอาจารย์นะครขอถามว่าอ่คําว่าอีกทางโนกับอีกทางเมใช้ใช้อย่างไรนะคร อ, อ, อยังไงที่แกถูกอ่แล้วก็อีกอี ก, อกข้อนะฮะอ่าเวลาเรานึกถึงองคสมเด็พระสัสามมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเรานึกถึงว่าพระสัมมาณโรดมเนี่ยทราบจะถูกต้องนะครับาฟังทางตดัดอาทางวิทยุขอบขอบ ค, ค, บ ค, บคอบบอบบอบขออบขอบขอบขอบบขออบ เราคนเดียวนะฮะโนูนี่ก็หลายคนมา ค, ความคนเป็นมากเป็นภูพฤษกัเอกพจน์เฉยไม่มีอะไรอ๋อเป็นเอกพจน์กทบภูอิตังเมอีตังเมยา ต, ตินังโหนตุ<อ>นะโนูก็ท่านทั้งหลายอ๋อโนคือท่านทั้งหลายหลา ย, ลายครับผมแล้วก็อะไรองค์สมณครออันนี้ไม่แปลกฮะคือพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปเจาะจงหรอกนึกถึงพระพุทธเจ้าคนนึกไปเลย คือเราไม่ต้องเรียกชื่อนะฮะคือคือที่จริงการเรียกชื่อเนี่ยก็ถือไม่ไม่ให้ความเคารพเราเรียกท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระบรมครูพระศาสดาพระภูมีพระภาคอะไรเนี่ยเราจะเรียกอย่างนั้นเราจะไม่เรียกชื่อพระนามแต่โคดมเนี่ยคนอื่นเขาเรียกแต่เราไม่เรียกครับเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในที่จริงเขาไม่เรียกพระนามแค่เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียกในหลวงเรียกอะไรเนี่ยฮะเรียกสัพนามครับครับขอบคุณครับจะคนใจครับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับครับนักนักมาการครับอยากถามสองข้อข้อแรกคือมีนักธรรมเขพูดว่าแม่ชีรือไม่ใช่นักบวชจริงหรือเปล่าครับแล้วก็ ผีมีอยู่ในภูมิของอสุรกายใช่ไหมว่าขอบเขตอสุรกายนี่ยมันมันกว้างขวางแค่ไหนแค่นี้แหละครับครับผมแม่ชีไม่ใช่นักบวชจริงหรือไม่กันนะครับคือคือคำว่านบวชเนี่ยแปลว่าเบนบ่าจะมาทีนี้คําว่านักบวชเนี่ยที่จริงเป็นการสมมติขึ้นตามเป็นกฎกติกาอย่างหนึ่งครับที่ที่เราเรียกว่าทําอย่างเงี้ยเป็นนักบวชผ่านกรรมวิธีต่างๆมาก็เรียกว่านักบวชทีนี้ อแม่ชีเนี่ยถ้าถ้าถ้าประเด็นตรงนี้มันก็ไม่เป็นประเด็นไม่ไม่เป็นนักบวชในกฎกติกาที่เราตั้งขึ้นแต่ว่าที่จริงถ้านักบวชในความหมายเว้นบาปแม่ชีก็เป็นนักบวชในกรณีที่เว้นบาปเพราะว่าเขารักษาศีลแปดแล้วก็ต่อไปเนี่ยกฎหมายในโอกาสต่อไปเนี่ยก็จะยกแม่ชีขึ้นเป็นนักบวชนักพโรโตก็ก็กําลังเรียกร้องกันอยู่ซึ่งซึ่ง มันมันอิดักกิเลืออยู่นะ ค, คือคือบางทีก็ถือว่าแม่ชีเป็นนักบวชบางทีกระซ่วงต่างๆนะฮะเช่นเช่นสมมติว่ารถไฟเนี่ยเขาก็ถือไม่ใช่นักบวชเขาก็ไม่ลดราคาให้นะทีนี้ห ร, รือในที่บางแห่งก็ถือว่านักบวชมันมันกิจกรรมต่างๆไปเลือกตั้งอะไรไม่ได้ว่ะฮะเป็นนักบวชก็ยุ่งหมดเลยเพราะ ง, งั้นก็ต่อไปจะมีกฎหมายะมีกฎหมายคือทามันถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่าลืมว่านี่คือกติกาสังคมเฉย คำว่นักบวชแปลเว้นบ่าวครับนะใครก็ตามที่เว้นบาวคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นนักบวชนั่นคือภาษาธรรมะโอ้ภาษาธรรมะข้อที่สองผีกับสุรกายมีขอบเขตอย่างไรอ๋อกรอบมันต่างกันนะฮะคือคืออสุรกายก็คืออสุรกายนะฮะแล้วก็ผีเนี่ยมันอาจจะเป็นอสุรกายก็ได้อาจจะเป็นเปรตก็ได้อาจจะเป็นภูมิเทวดาลุกเทวดาอาการเทวดาอะไรต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าเป็นภาพรวมร เนภาพรวมรวมเป็นเป็นเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะภาษาปาก <c oughs> ภาษาปากมันมันไม่ได้หมายถึงภพภูมิครับภาษาปากเรียกคนไทยมันก็เรียกอะไรแต่ไรเนี่ย <c oughs> เช่นเช่นว่าสมมติว่าผีนางตานีอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็ไม่ใช่ผีะเขาก็เป็นรูกเทวดา <c oughs> แต่เราก็ไปเรียกผีหมด <c oughs> <c oughs> ผีบรรดเจ้าบ้านเจ้าเรือนอะไรอะก็เรียกผีหมด <c oughs> ก็เป็นภาษาปากครับ อสุรกายนั้นเป็นภาษาทางวิชาการหมายถึงภพภูมิก็เป็นภพภูมิเป็นภพภูมิเป็นอสุรกายขอบคุณที่คุณจ่ายจับสายต่อไปสาที่แปดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามครับที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปไหนจะมีพระสงฆ์พร้อมรอบพร้อมรอบเนี่ยประมาณห้าร้อยองค์ แต่ไม่เป็นการกลรของทถานที่ที่ไปแหละครับแล้วก็เรื่องของการขบฉันทหารเนี่ยเอาที่ไหนมาครับผมครับก็เป็นคำถานที่น่าคิดนะฮะคือมันขึ้นกับอยู่ยุคสมัยนะคุณครับคือยุคสมัยโบราณเนี่ยหลายความ่าคนสนใจในวิถีชีวิตแบบนักบวชมากเพราะนักบวชประเภทใดก็ตามเมื่อไปที่ใดก็ตามเนี่ยคนก็จะถวายอาหาร แล้วก็เมื่อถวายท่านก็แยกย้ายกันไปบินทบาท<ม>นะฮะ<ม>กระจายออกไปในที่ต่างๆไปบินทบาทแล้วก็บินทบาทพอพอฉันท่านก็หยุดมันไม่ใช่บินทบาทอย่างในสมัยปัจจุบนันครับบินทบาทพอท่านเห็นว่าพอแล้วท่านก็หยุดหรือบางทีไม่ถึงก็พอหรอกแต่ว่าท่านก็ยังอัตภาพไปเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโดยบารมีของ ภาพรวมของนักบวชแล้วก็โดยบารมีพระพุทธเจ้าอันนี้มันมันห้าร้อยเนี่ยไม่กลัวเราหดอะไรเราฮะเพราะว่าไปถึงสุดจะตั้งกระจายพู้เดียวก็หายไปคนละทิศติฐาก็ไปบินทะบานคนละทิตติฐาก็ไม่ไม่จะไปเดินตั้งแถวห้าร้อยนะมันไม่มีคนรักครับขอบคุณครับที่คอยแจ้ครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าครับสายที่เก้าครับสวัสดีครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมดูรายการทีวีช่องหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าดูให้ได้รายการนี้นะย้ำแล้วย้ำอีกนะไม่ดูในชีวิตต้นจะขาดอะไรไปต้องดูให้ได้ย้ำอย่างนี้นะคระครครพอดสพอถึงรายการจริงๆมีพระที่ว่าแอบบวดเป็นพระนะฮะแล้วก็ไปใคยว่าไปมียาเยบยาบ้าไว้ในครอบครอง โู้โหทำข่าวซะใหญ่โตเลยเข้าวเล็กน้อยมากนะแล้วได้เข่าวว่าช่องนี้แหละเขาจะฟ้องเป็นแสนล้านให้มันเจ๊งไปเลยนะผมขอสับเองด้วยนะถึงแม้ทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาไม่มีการสาบแจ้งแบบมิสซลลมนะแต่ผมขอให้มันเจ๊งไปเลยครับขอหัวใจอย่าครับอระบายครับระบายฟั่มฟั่มคือขาดใจครับขอบคุณมากกล่าบกราบขอบคุณครับก็ กอราการเขาเรียกละืถอนรหัสถอนรหัสถอนรหัส <c oughs> เนี่ยก็ชอบทันอย่างงนั้นคือคือมาเองยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจว่าเขามีจุดประสงค์อะไรเขาเรียกว่าทีวีทีททวีเสรีมันเสรีมากไปเพราะว่าเธอก็รู้อยู่แล้วว่าคนปลอมบวชแล้วเธอก็บรรยายเป็นพระใช่ครับทา ง, งที่มันปลอมบวชใช่คำว่าพระทุกคำทางนี่เขาปลอมบวชมันไม่ใช่พระครับ แล้วปัญหาว่าถ้าถ้าเธอสุดจริตใจในการนําเสนอข่าวเนี่ยครับแล้วนักบวชในาศาสนาอื่นทาไมเธอไม่พูดใช่ครับนักสอนสาศาสนาในาศาสนาไหนสลามทําไมเธอไม่พูดครับอุตตร์ก็ดีอะไรที่มีข่าวอะไรต่อะไรต่างๆอยู่ตั้งฝากได้เนี่ยทําไมเธอไม่เอามาถอนรหัสหมาครับ มันมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะเป็นเรื่องที่น่าคิดออามาตั้งข้อสังเกตมานานว่าสถานีนี้เป็นเป็นสถานีที่เสรีมากไปครับแล้วก็ขาดควา ม, มรับผิดชอบเยอะมากอืเราไม่เข้าใจาวิธีคิดเขาครับว่าเขาคิดยังไงแอบถ่ายพระเรื่อยไม่ได้แอบถ่ายพระตลอดไปอย่างเงี้ยกระทําอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ปกป้องศาสนาแต่ที่จริงมัน มันทำลายคือเรื่องเอามาเคยตั้งคำถามนักข่าวก็ไปเจ็ดแปดทางเจ็ดแปดสบนะ <c oughs> ไปที <c oughs> ่กุตติธุรธาน์ด้วย <c oughs> เอามาบอกว่าคุณหลักการหลักการนิเทศศาสตร์เนี่ยคือการเสนอข่าวคือข่าว <c oughs> ความเห็นคือความเห็น <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวข่าวนั้นมันเหมือนกับเราเป็นกระจก <c oughs> คือภาพมันเป็นยังไงเราก็ ออกกระจกมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่ากระจกวิบเดย้าบูดบูด<ม>ทีนี้ก็เราต้องเลี้ยงคสังคมได้รับประโยชน์อะไรครับแต่คุณคิดว่ามันน่าสนใจคุณก็เสนอข่าวครับแต่ว่าจริงๆแล้วการเสนอข่าวต้องถามคําถามสุดท้ายว่าสังคมได้อะไรจากข่าวนี้ครับทีนี้ถ้าสังคมไม่ได้หรือว่าบางครั้งมันไม่เหมาะไม่ควรเราก็ไม่เสนอแกบอกไม่ได้ข่าวต้องเป็นข่าว บ, บอกอสมมุติว่าแม่เธอเป็นขี้เรือนเนี่ยเธอ เธอเสนอถามมันตรงๆเลยครับตั้งครับเลยก็เงียบหมดเลยเงียบปะเพาะจริงๆก็พูดเธอก็ไม่ใช่คนดีเๆอะไรนักหนาเธอก็เป็นอาชีพชนิดหนึ่งตอนนั้นเองครับแต่ทําไมเธอเธอเธอไม่เสนอข่าวในทางไม่ดีของพวกเธอแต่ชอบเสนอข่าวในทางไม่ดีของคนอื่นครับอันนี้คือคือขาดหลักของนิเทศิเทศครับเพราะเม็เม็ดก็เรียกว่าเมตตาวจีกามังอ่ะ เมตตาทางทางวาจาที่แสดงอคคอกนี่ก็ความเห็นก็เหมือนกันว่ามันควรแก่การพูดหรือเปล่าเพราะถ้าพูดแล้วมันสร้างความแตกแย ก, กสร้างความกระทบกระทืนก็เราก็ไม่พูดอะ่ะ บ, บนปากเราเนี่ยจะพูดก็ได้ไมพูดก็ได้มันไม่ใช่คุณมีเสรีภาพไม่ใช่คุณเป็นฐานันดรที่สี่อย่างที่คุณ ค, ค, คิด ค, คุณคืออาชีพ อาชีพขายปลาทูอาชีพอะไรทั้งหลายเหมือนกันนั่นแหละครับคนก็ต้องซื้อบริการของคุณคแล้วบริการของคุณเป็นบริการชนิดเดียวสินค้าชนิดเดียวในโลกนี้ที่ต่อรองราคาไม่ได้ <laughs> คุณต้องนึกอย่างนั้นสัดเจ๋งครับเลยก็ไม่เคยไปทำพาดเป็นทีมอย่างนั้นเลยในวันนั้ น, น <laughs> ครับท่านครับอขอบคุณครับสายที่สิบครับสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่าพระเวลาฉันข้าวส็ดเรียบร้อยเนี่ยก็ใช้ให้พรส้นๆในสัปเทีโยนเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าเราคนธรรมดาด้วยอกเรากินข้าวเนี่ยเรานึกถึงคำพูดนี้จะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งค่ะคำอาราธนาสี่ห้าเนี่ยมายังพันเตวิสุงวิสุงเนี่ยมันมัน มันมันมันผิดกับตรงไหนคะกับกับปานาติ ป, ปาตาแล้วก็ถึงห้าข้อ 1, ที่มีมะยางพันเตี่สูงสูงลักษณะฐายะ <โอ S 1> แล้วก็พุทิยามติและจัตยามติเนี่ยค่ะคครรัับบแล้วก็เอ ว, วั น, า น, นธานี้พุชังสัพพะเมโตโสรังธรรมะธรรมยพันเตนี่เรากล่าวคําขอเข้ามาสิ่งต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ได้ทุกที่หรือว่าเราต้องสวดมวนต์ด้วยได้หรือเปล่าคะเท่านี้เลยคะ่ะขอบอพระคุณมากค่ะมันเป็นระบบความเชื่อฮะโยมเป็นระบบความเชื่อหนึ่งนั่นเองนะหนึ่งถามว่าบุญาพระให้พร ส, สั้นๆอ๋อคือคื อ, ค, อคือการให้พรเนี่ยหมายความว่าเราฉันเราเรากินข้าวของเราเนี่ยเราก็จะให้พรใครเราครับเราก็พิจารณาเรื่องอาหารดีกว่า แต่ส่วนพระนั้นคือญาติโยมก็ถวายอาหาร ก, ก็ให้ศีลให้พรกกบญาติโยมที่ถวายอาหารมันก็ะระเด็นกัน น, น ะ, ะนะคือคือข้อความในมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรากินอาหา ร, รแต่มันเกี่ยวกับการถวายทานของคนอื่น อ่าพันครับก้ อ, อที่สองอะมะยังพันเตอ๋อม่ยังพันเตคือเป็นรูปแบบที่คิดกันขึ้นมาใหม่คือว่าหมายความถ้าใส่กคำวิสูงวิสูงนั้นขาดข้อใดก็ขาดเฉพาะข้อนั้นครับไม่ใส่วิสูงวิสูงนั้นขาดหมดก็ว่ากันเองนะี่ยคือศีลมันเข้าใดขาดมันก็ขาดข้อเดียวแหละใช่ไหมเราเราไปลักทรัพย์เราจะบอกว่าเราไปฆ่าคนด้วยเราไปประพฤติผิดในการมด้วยเราโกหกด้วยเราดื่มสุราด้วยได้ไงมันก็มันก็ คือคือเป็นอะไรล่ะเป็นจารีตที่สร้างขึ้นโดยขาดการวิเคราะห์ขอเท็จจริงแล้วก็พระก็เห็นว่ามันไม่เดือดร้อนอะไรก็ว่ากันไปขอยังไงก็ว่าอย่างนั้น <c oughs> ก็ให้ไปครับละอะไรนะคำอขอขอมาอ๋อคําขอขอมานั้นหมายความว่าในกรณีที่เกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับบุคลคลที่เราไปล่วงเกินนะเราก็ขอขอมาครับ ะส่วนส่วนจะไปขอที่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเราล่วงเกินอะไรใครที่ไหนอเราก็ไม่รู้หรอกบีขอทุกคนทุกแห่งคงไม่ได้หรอกคงไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่เราต้องล่วงเกินก่อนครับขอบคุณครับศาสตร์ที่21ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถามสองข้อนะครับรบกวนศาสตร์ดังๆนิดนึงนะครับอ่าขอถามปัญหาต้งสองข้อครับครับผมข้อที่หนึ่งนะกะละชะกาเยฮะ ข้อที่สองเอกักขังฮะช่วยช่วยอธิบายใหน่อยเหรอครับผมกะลัชกาเยข้อที่หนึ่งข้อที่สองเอกักขังเอกักังฮะขอขอฟังทางวิทยุนะถามถามความหมายหรือถามอะไรครับความหมายถามความหมายนะครับงั้นรับฟังทางวิทยุนะครับคือคือการัชกายเนี่ยหมายถึมว่ากายชีพเปื้อนฝุ่นกายที่เปื้อนใยทุลีต่างๆของเราเนี่ยเป็นการพิจารณาพิจารณาถึงกายที่เป็นภาพรวมเนี่ยครับ กายที่แปดเปื้อนบทปฏิกูลนะฮ ะ, ะก็ก็แล้วแต่จะแปลนะฮะแปลว่ากายกายที่เปื้อนฝุ่นก็แปลอย่างนั้นแล้วก็ อ, กอ๋อเอกขังคือคื อ, คอมันมันมันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวจิตที่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ย อ, อารมณ์มันเดียวที่นิ่งก็คือสมาธิพูดง่ายว่าสมาธิสมาธิ อะไรก็ไม่ร่้รวมเป็นันหนึ่งเงินเดียวก็เอกะขันเอกะขันเป็นหนึ่งเงินเดียวกันครับสออคุณเจ้าัานมากครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามครับสายที่สิบสองครั บ, ส ว, รบสวัสดีครับสวัสดีครับกล่าวปักนักพัฒนาโดยด้วยนะครับจะขอถามปัญหานะครับอเออจะมีธรรมะข้อใดอช่วยอบรมบุคคลบู บ, บูคนที่ชอบเล่น ไพ่อะไรเงี้ยครับไม่เลิกเล่นเลยครับเอแล้วก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยครับครับมีมีมีข้อครับมีมีข้อเดียวนะครับครับผมมีข้อเดียวครับธรรมะเรื่อการเลิกเป็นไพ่นะครับครับผมคือเรื่องนี้เราไปอบรมโดยตรงไม่ได้แล้วนะครับคือเราต้องคุยครับต้องคุยต้องเล่านิทานต้องยกตัวอย่างในกรณีคนที่เอ่อล่มจม เพราะว่าเป็นหนี้เป็นศีลคนอื่นสืบเรื่องมาจากการพนันอะไรก็คุยคุยกันเรื่อยๆนะไปเป็นกิจลักษณะไม่ได้หรอกค น, <c oughs> คนพวกนี้ยเราคื อ, ค, อ, ค, อคือเขาไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรหรอกแต่เราต้องคุยกันแบบจับเข่าคุยกันอ่ะชปรึกษากาันเช่นภายในครอบครัวอะไรยิ่งต้องคุยกันใหญ่เลยนะลองดูนะว่าถ้าหากว่าเราไม่เล่นการพ น, นันเนี่ยก็จะดีอย่างงาั้นอย่างงาั้นอย่างงาั้น ครับนะแล้วคนที่เล่นการมานานในเสียหายอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าค่อยค่อยคุยนะอไปค่อยคุยไปเจาะจงนักก็ไม่ค่อยได้หรอกพวก <c oughs> พวกนี้พวกความคิดเขาแรงครับไปเขาเขารู้สึกว่าเราไปตัดรายได้เขาครับดังนั้นเมื่อเมื่อมันมันมันครุขระมากเนี่ยมันมันต้องค่อยค่อยขัดแต่ว่าเหมือนพื้นมันครุขระมากค่อยค่อยขัด อย่าไปคิดว่าจะทําอะไรสำเร็จได้ง่ายๆนะครับครับครับทุกผู้ชมครับ022413315ครับสายที่13ครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับสารวัตรสุจักรทุกนนะครับครับสอบถามได้เลยครับอ่าสอบถามข้อเดียวนะครับครับผมการเดินจงกลมคือมาไหร่ถ้าจะปิดตบนะครับครับผมสารวัตรสุรนะครับข้อเดียวครับครับผม คือเดินตรงกลมก็เดินตั้งสติระลึกรู้อยู่กับอิรดียบที่ก้าวเดินไปนะฮะยกเท้าเหยียดเท้านะฮะคือคืออย่างในพระไตรปิฎกเป็นท่านท่านแม่อธิบายหรอกคือเปนการเดินเป็นเป็นการตั้งสติในการเดินแล้วก็ถ้าเราเดินยังมีสติหมายความว่าสติก็กำกับอิเดียบทั้งหลายก้าวก้าวเดินไปเดินเร็วเดินช้า้องอยู่ที่สติราทันหรือเปล่าตั้นเอง ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าแต่ยุบหนอ่อย่างหนอ่อเหยียดหน่ออะไรแต่อะไร ต, ต่างๆนี่มันว่ามันจากพม่าทีนี่น<อ>ซึ่งซึ่งก็ช่วยนะฮะก็ช่วยได้เยอะอเพราะว่ามันมันอาจจะเครียดในตอนต้นๆแต่ว่าตอนหลังสติจะดีขึ้น<อ>ต้องฝึกกันหน่อยครับ<อ>แต่ว่าในพระใจบิดกไม่ต่างอธิบายคือคือมันมันเป็นการอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะฮะ แล้วก็มีสติกำกับในอิริยาบถเหล่านั้นนะในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านเรียกว่าสัมปชัญญะปะพระหรือหมวดที่ว่าด้วยสัมปชัญญะตรงนี้ก็เรียกว่าอิริยาบถปะพระนะคือว่าหมวดที่ว่าด้วยด้วยด้วยการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่อิริยาบถครับขอบคุณครับจุดสนใจกับสายที่สิบสี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอานักการวิชาการครับคืออยากถามคำถามครับ หนข้อนะครับครับผมสอบถามได้เลยครับขณะที่ทําสมาธิอยู่นะครับวันนี้มันจากมืดหลับตาลรามืดแล้วมันสว่างขาวได้เรื่อแต่มันไม่ใสนะครับทำอีกทั้งก็เป็นแค่เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยอยากถามว่าเป็นเพรายังไงดําเนินทางถู่หรือเปล่าหรือว่าถึงขั้นไหนแล้วนะครับโอเคเลนะครับขอบคุณมากครับครับจากมืดไปสว่างแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใสนะครับก็ไม่ชืมดูแลโยมค้าค่กระช้แนวอะไรอ่ะแนวแนวเพ่งอะไรสักอย่างแนวค้าคๆกระสิน คือคือสรุปว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนะฮะเราอย่าไปรู้สึกอยากสัมผัสมันทั้ทงมือทั้งสว่างเนี่ยเราตั้งสติระลึกรู้อยู่กับอะไรก็ระลึกรู้อยู่กับสิ่งนั้นอะไรมันเกิดมันก็เกิดมันก็เกิดแต่ว่าไม่ใช่ไปยึดติดมันก็ก็เป็นเรื่องธรรมดารู้ทันว่าสิ่งนี้เกิดแก็มันเกิดมันก็ดั บ, บแล้วก็ ต้องจะจะเรียกว่าชั้นไหนมันมันคงคงพูดยากนะครับก็ต้องต้องคุยรายละเอียดเยอะครับว่าจะเดินกรรมฐานอะไรมาอะไรจะไหนนะมันมันมันมันแต่สรุปว่าแสดงว่าจิตก็เดินมาถึงถึงขนาดเห็นสว่างเนี่ยมันก็เดินมาถูกแหละแต่ว่ายังยังไม่ถึงไหนแล้วครับก็เดินต่อก็พยายามต่อไปกันเลยกันแต่อย่าอยากนะครับถ้าอยากมันจะหยุดเลยมันจะไม่เกิดอ่ะแม้แต่สว่างก็ไม่ยังไม่เกิด ครับครับขอบคุณท่านผู้ช่านครับสายต่อไปสายที่สิบห้าครับมาอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับสวัสดีครับเฟรายการครับทำการรักษาการพระเดชพคุณหลวงพ่อครับครับสอบถามได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับสวัสดีครับคือผมกับผมและคนไทยอ่ะอีกหลายล้านคนนะครับครับผมจะทําใจหรือว่าจะวางใจอย่างไรดีครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นทางภาคใต้คือมีการเข็นฆ่าทุบไปสุดตายทุกวันเอครับแต่ในสิ่งใดมันมีสิ่งที่น่า ที่น่ากลัวกว่านั้นคือคนไทยหลายคนหลายท่านเอาจจะคิดว่าเมื่อพวกนั้นยึดสามจังหวัดได้แล้วทุกอย่างจบคือไม่ใช่อย่างนั้นฮะคือมันต้องการที่ทั้งประเทศครับครับครับอยากจะขอธรรมะหน่อยนะครับครับขอบคุณครับคือคือว่ากันดามความจริงนะฮะมันเป็นเรื่องที่ที่น่าห่วงและวิธีมองของคุณก็ถือว่ามองถูกต้องนะฮะครับ เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูพระราจบัป ญ, ญาติบริหารงุงกรอิสลามมันก็ขยายไปเยอะห้าสิบกว่าจังหวัดแลลวเมื่อก่อนสามสหจังหวัดเดี๋ยวนี้มรสุทจะห้าสิบสามหรือถึงห้าสิบเจ็ดละนะแล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยเขาจะอยู่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าทุกทุกทุกทุ ก, ท ก, ทกจังหวัดทั่วประเทศ นะเพราะงั้นปัญหาเหล่านี้มันวิธีการที่รัฐบาลกบลังเริ่มจะเริ่มได้หรือเปล่านะคกงกงจะเป็นเรื่องต่อสู้กันทางสังคมจิตวิทยาผสมกวรครับนั่นคือจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษพิเศษแต่ว่าต้องระวังระวังให้ดีเหมือนกัน <c oughs> นะเราอระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันคกล้ยๆกับประตูนเปิดกว้างคือคือลักษณะเศรษฐกิจพิเศษอย่างเนี <c oughs> ้ย <c oughs> ประตูมันจะกว้างทีนี้เมื่อกว้างเนี่ยมันคลนข้าวออกเนี่ยได้เยอะครับแล้วเราก็การกรองไม่ได้นะพอการกรองไม่ได้มันก็มีปัญหาว่าอาจจะมาจากอาจเจ้าอาจเจ้าอะไรแต่อะไ ร, ะไรทีนี้ก็จะยุ่งเงยใหญ่กันนหะครับซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งปัญหาจะตามมาเนี่ยต้องเตรียมแก้ไขให้ได้ด้วยแต่สรุปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ในเรื่องใหญ่ที่ที่พวกเราก็ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นติดตามข้อมูลกันเรื่อยๆแต่ว่าอย่าเครียดกันแล้วกันนะนะเพราะยังไงถึงเราเครียดเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ลงไปช่วยพี่น้องของเราท่านั้นเองต่างพรรคได้ก็ช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ว่าอย่าลืมมองไม่ใช่คนส่วนใหญ่ออืนะเป็นคนส่วนหนึ่งท่านั้นเองซึ่ง มีพวกหนุนมาจากข้างใต้บ้างมาจากตะวันออกกลางบ้างนะฮะแล้วก็พวกกลุ่มอิทธิพลต่างๆที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยบ้างครับขอบคุณครับที่คุณจ็คครับสาย26ครับสวัสดีครับครับกลับมาสุดปาร์ุกคุณแจ็คครับแต่ผมรื่องประจําตัวนะครับอยากเวลามันกํำเริบขึ้นมารู้สึกเป็นทุกข์มากกลัคนีใ ได้ยังไงครับคืที่จะขอสั่งทางวิทยุครับสละผมขอบคุณมากครับขอให้ายไว้ไว้นะครับมีโรคประจาตัวครับทุกท่านคือคือร่างกายมนุษย์เนี่ยเราต้องยอมว่ามันเป็นทุกข์นะฮะเป็นเคพศที่มินเป็นก้อนทุกข์เลยทั้งับแล้วก็โรคเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทุกทุกใจนะเพราะงั้นในการไม่มีโรคจริงถือว่าเป็นลาบันประเสริฐ แล้วก็คนเราทุกคนมันก็มีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเมื่อมันเกิดมันก็คือต้องพยายามทนแล้วพยายามหาทางบำบัดพยายามป้องกันส่วนจะไม่มีโรคเนี่ยมันไม่มีหรอกครับามาก็โรคเยอะก็อยู่กันไปแหละครับอยู่กันไปเรารักษาไม่หายก็ตายไปด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวมัน อปล่อยมันเฉยๆ ค, คือคือถ้าต้องการจะใช้เราจะดูที่ตัวโรคที่เสียดแทงอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็ไม่ใช่อยู่ระดับใดระดับหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงเข้ามาในแสดงมาเกิดจะเห็นปัจจัยมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้นะฮะเป็นทุกขสัญญาครับคือกําหนดเห็นให้เป็นทุกข์จึงมีลักษณะเสียดแทงแล้วดูดูตัวเสียดแทงมันและจะเห็นว่ามันก็มีคนที่ทุกข์ยิ่งกว่าเราอยู่เยอะเลยครับ นะเราทุกขณะนี้ก็ยังดีนะฮะจนถึงกันเนี้ยจนถึงกันอย่างพระโบกคายาท่านท่านท่านไปนั่งอยู่กลางแดดร้อนจ้าเนี่ยพระก็บอกว่าแต่เท้าทําไมไปนั่งกลางแดดร้อนอย่างนั้นคือท่านเห็นพระสุนกันมากท่านหาวิธีเตือนพระโมกคายาท่านบอกว่าความร้อนในโลกมนุษย์เนี่ยมันมันไม่เท่าไรหรอกรมันร้อนในรนรกมากกว่า กรเตือนพระเตือนพระเตือนพระให้ทราบคือท่านเป็นพระอรหันต์ท่านท่ า, านไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์เขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่ากระเตือนให้สติครัอย่าลืมว่าในขณะที่เราถูกโรคเสียดแทงมีคนอื่นที่สุงเสียดแทงรุนแรงกว่าเราแล้วเขาอยู่ได้ก็ทนได้มามีโรคประจำทั้ง3 3สามสามกษัตรติย์แล้วตอนเนี้แ <c oughs> ค่เรื่องว่าใจพาคีแล้วทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้ง หัวใจครับครับครบชุดแล้วก็ก็เฉยๆก็สามไม่หายก็ตายด้วยกันก็นั้นเองเขามาด้วยกันเนี่ยเราเป็นรังของโรคร่างกายเราเป็นรังของโรคครออาจารครับมีภารการฝากมาถามท่านหนึ่งว่าอ่านในพระธรกมดงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระอรหันต์ท่านหนึ่งที่ทำบาปกรรมไว้จนกระทั่งไม่สามารถฉัน อาหารได้ป้านนท์ต้องมาช่วยครับตอนที่ก่อนปัณิพานเนี่ยภาษาดิบลูกศิษย์ภาษาดิบุตรสติปสติปิเรภาษาดิบุต ร, ท, ร ท, <อ>ท่านบาประกรรมของท่านเนี่ยคือท่านไม่เคยให้ทานเลยอ๋อไม่เคยให้ทานเลยนะตลอดชีวิตของท่านเนี่ยไม่เคยให้ทานครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลของทานเนี่ยทําให้คนได้สถานะทํามาให้กินคร่องมีความเจริญร่ํารวยอะไรต่างๆเพราะผมก็ทานผมก็ทานที่เราให้ดีแล้วนะฮะผมก็ทานที่เราให้ดีแล้ว แล้วก็หรือว่าคนาที่ว่าคนไม่รู้จักอิ่มจักเบื่อเด็กการดูการชมเนี่ยนี่คือผลพันธา์ที่ให้ดีแล้วอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่เนี่ยคือคนไม่อิม่มอะดูดูดูในหลวงเนี่ยคครครัับบ่มีใจอย่างงั้นน้ำตาไหลป า, ากปับก็ดีใจคือคื อ, ค, อคือดูได้ตลอดอะคครครับับบอันนี้คือผลฐานของเขาผลฐานของท่านครับพราะ ง, งั้นถ้รารูปนี้ท่าน<อ>ไม่เคยให้ทานเลยตลอดชีวิต อาารทำให้ไม่เคยมีอาหารอิ่มท้องครับแล้ววันนั้นเน่ยวันที่ท่านจะนิพพานพระสารีบุตรก็ไปบินธบาตมาครับแล้วก็ให้ท่านฉันโดยพระสารีบุตรถือบาทไว้ต้องถือบาทไว้ถือบาทไว้ถ้าไม่งั้นอาหารมันหายไปหมดอาหารายหมดเลยนะครับใช่คือบาควิบากกรรมของท่านเนี่ยท่านก็เกรงใจพระสารีบุตรบอกเอ้ า, าผมไม่ถือไว้ให้คุณก็ฉันไม่ได้ ค, ค, คุณ คุณชันไม่เถอะชันนี่อิ่มชักมือหนึ่งมันชาติหนึ่งฮนะไม่เคยอิ่มเลยก่อนปริทิพากษนะก่อนปริทิพากษ์นะครั บ, รบขอบคุณที่บรจครับชื่อชื่อผานะลยเข้าปฏิเขาเรียกว่าสัตว์ที่บริษัทปฏิบุตรเขาเไม่ได้บอกชื่อเลยบอกชื่ อ, ส, อส่วนมากอันยะตาลาภิก ข, ขุเนี่ยภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยมันจะเยอะอ๋อครับบาดีเนี่ยฮะคือคือถ้าไม่บอกชื่อไปขอบคุณครับที่บริจับสายที่18ครับสวัสดีครับ ครับครับครับท่านประธานท่านคุณอาจารย์นะครับผรผมถามเลยนะครับผมมันสิ่งที่มาจากในแฟรายการที่ที่ถามเกี่ยวกับปัญหาภาคใต้นันนะครับครับคือว่าปัญหาของศาสนาเนี่ยศาสนาหนึ่งหรือศาสนาที่เองทุกวันเนี่ยคือการตายเพื่อพระเวรเจ้าเนี่ยเรถือว่าไม่บาปเพราะเขาทำอะไรก็ได้ที่เขาอ้างเช่นนั้นเป็นเทวดาิยมสึ่งเขาก็ทําสงครามมาตลอดกับศักดิ์ไอ้ไอ้ขี้ศาสนาซึ่งก็มาสิงอยู่แม่ก็ต้องในประวัติศาสตร์มาถึงทุกวันนี้ แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทางไอ้ทางพุทธเนี่ยเป็นกรรมนิยมคุณเ ข, ข้าไาด้ก็ฆ่าไปฆ่าได้ก็ฆ่าไปแั่วันนึงเนี่ยคุณก็จะมาสนองครับก็ถ้าถึงวันนั้นเนี่ยประเทศเราก็จะไม่เหลือผมเซึ่ง บ, บ, บ, บอกว่าไอ้ข้าราชการภาคใต้ที่ประกาศใหม่นี่นะครับเข้าทางโจรครับขอบอกครับขอบคุณมากนะครับแสดงความคิเห็นเพิ่มเติมมาครับท่คุจ้จริงๆเิงครับยเป็นกรรมนิยมอะไรตรงนี้ก็ใช่ฮะกรรมวาวีครับ กับวันทีคือคือวิธีวิธีวิธีมองวิธีคิดเนี่ยที่จริงเขาเขาเขาแปลว่าสันตินะสันสนาของเขาเนี่ยแปลว่าอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยแปลว่าสันติครับหรือมันมันทับพูดถึงบรรยากาศของเขาจริงๆส่วนใหญ่เขาก็ดีนะะครับที่คุณจะเค ย, ย<ไ>ประชุมร่วมหลายครั้งเราก็เคยร่วมงานหลายครั้งก็คือเรียกว่าไม่เคยเจอคนไม่ดีอ่ะใช่ครับก็คุ้นคุ้นกันเยอะครับ แต่ว่าคนพวกนั้นเราก็ไม่เจอกับเขาวพวกที่ก่อกันไดน้อันนี้มันมันแนวตัวนี้ถึงว่าตะกี้ไงฮะแนวเศรษฐกิจตรงนี้ย ค, คือคือคือสิ่งที่จะตามมาเนี่ยมันมันอาจจะมากกว่าสิ่งที่เราได้ครับแต่ว่ารัฐบาลมันวางแผนได้แต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเองจะอยู่ไม่เกินปีครึ่ง น, น, ะนะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะนเรื่องใหญ่ต้องสํารวจต้องอะไรตัวอะไรเยอะบางค้ายๆก็ขอข้อกลับ่นซึ่งซึ่งซึ่งต้องคิดกันหลายชั้นครับ เขอบคุณครับทุกท่านครับสายที่สิบเก้าครับผมสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับเออยกากทราบว่ า, าศาสนาพุทธกับาศาสนาฮินดนูที่ไหนเกิดก่อนใครก่นอ๋อครับผมขอตัวคาถามให้นะครับาศาสนาพุทธกับาศาสนาฮินดูไหนเกิดก่อนใคนครับทุกท่านครับคือฮินดูเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของลัทธิต่างๆที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลครับ ว่ากันตามความจริงในสมัยพุทธกาลแม้แต่าศาสนาพราหมณ์มันก็ไม่มีหรอกอมันมีคณาจารย์เจ้าลัชธิต่างๆก็สั่งสอนกันไปแล้วก็ส่วนมากจะยึดโยงอยู่กับความพียรพระเวทนอกจากาศาสนาเชนกับาศาสนาพุทธทีนี้ฮินดูเนี่ยมันมั น, มนในการต่อมาพวกนี้ก็เกิดรวมกลวกันขึ้นก็กลายเป็นาศาสนาฮินดู เพราะงั้นถ้าถามว่าอะไรเกิดก่อนเนี่ยถ้าเา็าผูกโยงมาจากคำพีพระเวเขาก็เกิดก่อนต่อถ้าผูกโยง<ะ>ถ้าผูกโยงมาแต่ว่าโครงสร้างที่เป็นรูปาศาสนาเนี่ยมันเกิดทีหลังครับ โครงสร้างที่เป็นรูปศาสนาและถ้าตามความจริงศาสนาฮินดูยังไม่เป็นศาสนาที่สมบูรณ์เพราะว่าขาดองค์ศาสดาที่เป็นตัวตนจริงๆในวิถีทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือหลักการศาสนาหนึ่งต้องมีศาสดาที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์สองต้องมีศาสนธรรมที่ศาสนิกถือว่าค่อดไปทางศักดิ์ธิ์ แล้วก็สามต้องมีศาสนบุคคลศาสนบุคคลอาจจะมีนักบวชหรือไม่มีนักบวชแล้วก็ต้องมีศาสนสถานเป็นเทวไลัยเป็นโบสถ์เป็นมัสยิดเป็นอะไรก็ตามฮะแล้วก็ต้องมีศาสนพิธีตอครับผมศาสนาฮินดูในที่จริงเขาขาดศาสดานะครับจริงครับเพียงแต่ว่าคนก็นับถือเยอะก็ก็แปดเก้าร้อยล้านบางแห่งก็ เรียกว่าศาสนาไปด้วย oh. ถ้าเอาหลักวิชาของศาสนาเปรียบเทียบเข้ามาจากเนี่ยยังไม่สมบูรณ์รเพราะว่ายังไม่สามารถสืบสวนได้ว่าหมาฤูสีที่เขียนกําบีประเวศเนี่ยคือใครโอ oh, ครับท่านครับมันเป็นตำนานรปรำปลาก็เรียกว่าเขาเรียกว่ า, เ, า, เ, วาเทพปรกรนัมนะพวกนี้มันสืบเนื้อมาจากเทพปรกรณัม oh. ขอญาติหนึ่งครับขอญาติก่อนสายที่ยีนะครับประยมพันธ์หนึ่งนะครับแฟนรายการที่โทรศัพท์มานะครับหรือเขียนจดหมายมานะครับอยากได้ซีดีธรรมะนะครับเนื่องในงานทําบุญายุวัฒนมงคลของท่านพลเอกเสรีพุทธบาลนะครับเมื่อวันที่4ีธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นซีดีบรรยายธรรมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าขุณพระธรรมโกศอาจารย์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรล์ราชวิทยาลัยนะครับในหัวข้อเรื่องสันติธรรมนาสันติสุขนะครับก็ยังมีเวลานะครับ หมายมาได้ที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิรปทุม61ปิบเโยธินจัดจัดกรุงเทพหศนนะครับหรือโทรศัพท์มาที่02579 1111นะครับต่อ2217 02579 1111ต่อ2217นะครับท่านโป้เด็กเสรีพกุกรมานและท่านดรรนชนพรพุกยาพรผูกมานจะจดส่งเป็นครรมบรรย า, าการแด่ท่านผู้ฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยิรทุา น, น, นะครับหลายท่านบอกว่าอยากจะขอหนังสือธรร ม, มะ่ว ดยได้ไหมนะครับเพราะว่าอยากจะเอาไปฝาดนะครับญาติพี่น้องเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับทางทพระเกเสรีก็นะครับอนุญาตให้ผมนาหนังสือธรรมะของท่านเจ้าคุณประเทศติลกนะครับชื่อหนังสือที่นี่ประเทศไทยนะครับนามาแจกเพิ่มอีกนะครับพอจัแล้วแฟนรายการที่อยากจะได้ซีดีธรรมะและหนังสือธรรมะนะครับท่านพระเกเสรีก็บอกว่าสำหรับแฟนายการเสียงธรรมจากสรีปทุมเต็มที่เลยนะครับจดหมายมาได้แล้วก็โทรศัพท์มาได้นะครับเราแจกเต็มที่เลยเพื่อเป็นธรรมบันดากาจจริงๆนะครับ สำหรับแฟร์รายการเสิยงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบทุนทุกท่านและก็เป็นของปีใหม่สาหรับผู้ฟังรายการทุกท่านด้วยนะครับสายที่ยี่สิบครับสวัสดีครับโทษทีให้รอนานครับสวัสดีครับผู้ดำเนินอาจารย์ผู้ดำเนรายการครับสวัสดีครับขอกราบนบัตรการอาจารย์คุณเุด้วยนะครับผมขอถามเลยนะครับครับผมเชิญเลยครับก็สถานการณ์ปัจจุบันนี่ในเมืองไทยแล้วเนี่นะครับก็สถานการณ์ผ่าใต้อย่างหนึ่งครับ ท่านอดีตประธานาธิบดีอเมริกาอย่างหนึ่งที่เข้ามาในปัจจุบันเนี่นะครั บ, รรบและการผันผวนของการเมืองปกครองของไทยเราเนี่ยขอมิมูลขออรัตนาพ ร, าราะเจ้าคุณลงเสะเมินสถานการ์เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเคยได้ม <c oughs> <c oughs> แนะนำกับรัชวิรุฬหโบราณอะไรนันะครับผมขอปานเลยนะครับครขอตับการประการครับ โยมเลิศเดี๋ยวโยมเลิศแฟนรายการธรรมะร่วมสมัยกระดับคือคือโลกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมอย่าไปเอานิยายอะไรมากเลยคือโลกมันไม่นิ่งเพิ่งแง่ว่าโลกมันไม่นิ่งมนุษย์มันก็วุ่อย่างเงี้ยหมายความว่าในสุดก็มีการนิยแย่งอาหารการแย่งที่อยู่การแย่งอํานาจการแย่งทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆกบปนๆวุ่นๆอย่างเงี้ยคือ อย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับศาสนาอะไรก็ตามมันไม่มีทางสงบหรอกตราบใดที่โลกยังมีความแตกต่างกันในหมูค่คนนะแม้จะมีองค์การประชาชาติอะไรก็ตามตอนนั้นเมื่อวานนี่ก็พูดที่ธนาารชาติครับก็บอกว่าสองปีนี้เป็นปีมามงคล เราก็รู้เราก็แต่งชุดเหลืองกันพลบไปทั่วทั้งประเทศมันก็ดีหรอกแต่ว่าอย่าลืมมาที่ในหลวงรับสั่งเน้นตลอดระยะเวลาในช่วงนี้คือสามัคคีสามัคคีครับครับแต่สามัคคีตั้งแต่รู้รักสามัคคีมาแล้วก็วันเนี้ยวันวันที่แล้วเนี่ยก่อนสามัคคีครับแล้วก็ตอนวันที่เก้าวิทยนาก็เน้นที่สามัคคีให้มีเดยเฉพาะข้อเดียวเนีเอาไว้ได้สิฮะคิดทำพูดด้วยเมตตา มุ่งดีบุ่งเจริญต่อกัน oh, เอาก็ได้ส oh. ิข้อที่พิเศษสุดเลยครับไม่ใช่ <c oughs> ฮะเอาได้ข้อ น, นี้เพราะว่าโลกโก้ไปถามไม่กลไม่ตาไม่ตาเป็นธรรมคำหยุนโลกอยู่แล้วครับคือคือคื อ, ค อ, คอโลกร่มเย็นดับเข็นได้โดยศาสนาครับแต่เนี้ยศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทําลายล้างกันซึ่งถือว่าผิดพลาดผิดพลาดามากแต่ไม่ใช่ผิดพลาดที่ศาสนามันผิดพลาดที่คนซึ่ง อาศัยศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้สางความยิ่งใหญ่ของตัวเองอหรือว่าแสวงหาประโยชน์ของตัวเองครับเพราะฉะนั้นสังคมจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็พยายามประนีประนอมประสานประโยชน์กันไม่ใช่ว่าเรียกสมานสมานสมานในสับแต่ว่ารายการวิทยุเนี่ยบางคืดในดาเพื่อนตลอดทั้งคืนเลยทั้คืนทางวันยี่บี่ชั่วโมงเลยมันไปไม่รอดหรอกสมานในสันไม่ได้สมานในสัมันต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างมันไม่ใช่ว่าหาจุดอ่อนของใครมาสักคนแล้วมากระดาคนเดียวกระดาข้างเดียวมันมันมันทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ เพราะทั้งนั้นถ้าถ้าเราต้องการสมาณาฉันเราต้องอตัดตอนเรื่องบางเรื่องนะฮะก็เรียกว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปรานระ ง, งับประปุกเวรกันนั่นคือหลักลิตไอ้หลักหลักหลักที่ท่านสอนเรื่องสาวกีธรรมคือคือเรื่องเก่าๆนี่มันมันมันมันต้องเลิกบ้าง <c oughs> ถ้าเลิกไม่ได้แล้วก็รื้อฝอยหาตะเก็บอยู่เรื่อยแล้วมันไม่ได้หรอครับล่าเมืองไม่มีที่สงบครับผมบขอบคุณท่านทีจารย์ครับสายที่กําลังรออยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านที่ควรจานจะ ก, กรุณาออกไปต่อให้นะครับครับผมวันนี้ขออภัยหลายสายนะครับโทรมาไม่ติดเพราะสายแน่นมากเลยครับรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมขอกราบลาเพื่อนผู้รับฟังรายการทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันวันจันทร์หน้าครับขอกราบสวัสดีครับ